ปล่อยวางความเจ็บปวดในเรื่องที่แล้วสิ่งที่อาตมาได้ปล่อยวางคือความกลัวความเจ็บปวดจากการปวดฟันเมื่ออาตมายินดีต้อนรับความเจ็บปวดยอมรับมัน และยินยอมให้มันอยู่โดยไม่พยายามขับสายไล่ส่งนั่นเป็นเหตุให้มันผ่านพ้นไปเพื่อนหลายคนของอาตมาที่เคยเจ็บปวดอย่างหนักได้ทดลองวิธีการของอาตมาและพบว่ามันไม่ได้ผลเขาจึงมาต่อว่าและบอกว่าที่อาตมาปวดฟันนั้นนะ่ะเทียบกันไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดของเขานั่นย่อมไม่ถูกต้อง ความเจ็บปวดเป็นเรื่องเฉพาะตนและวัดไม่ได้อาตมาได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าทำไมการปล่อยวางจึงไม่ได้ผลสำหรับเขาโดยเล่าเรื่องลูกศิษย์สามคนของอัตมาให้เขาฟังลูกศิษย์คนแรกกำลังเจ็บปวดมากและพยายามจะปล่อยวางปล่อยวางเสียงแนะนำเบาๆและรอ ปล่อยวางเสียงบอกซ้ำเมื่อยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปล่อยวางแค่นั้นแหละน้าปล่อยวางซะฉันบอกให้ปล่อยวางไงปล่อยวางเราอาจเห็นว่ามันตลกแต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทำอยู่เกือบตลอดเวลาเราปล่อยวางผิดเรื่องเราควรจะปล่อยวางตัวตน ที่บอกเราให้ปล่อยวางตั้งหากเราควรที่จะปล่อยวางตัวบงการที่มันอยู่ในตัวเราซึ่งเราทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นใครการปล่อยวางหมายถึงการไม่มีตัวบงการลูกศิษย์คนที่สองกำลังเจ็บปวดกลุนแรงเขาจาคําสอนของอาตมาได้และจะปล่อยวางตัวบงการนั้น ก็นั่งอยู่กับความเจ็บปวดเข้าใจว่ากำลังปล่อยวางอีกสิบนาทีต่อมาความเจ็บปวดก็ยังคงอยู่เช่นเดิมก็ เ, เริ่มบ่นว่าการปล่อยวางไม่ได้ผลอาตมาจึงอธิบายว่าการปล่อยวางไม่ใช่วิธีการกำจัดความเจ็บปวด มันเป็นวิธีการที่จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดต่างหากสิทธิคนที่สองนี้พยายามที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทำนองว่าฉันจะปล่อยวางสักสิบนาทีแล้วแกเจ้าความเจ็บปวดจะต้องหายไปตกลงไหมนั่นไม่ใช่การปล่อยวางความเจ็บปวดแต่เป็นความพยายามที่จะกำจัดความเจ็บปวดต่างหาก ลูกศิษย์คนที่สามกําลังเจ็บปวดอย่างหนักเขาพูดกับเจ้าความเจ็บปวดประมาณว่าเจ้าความเจ็บปวดเอ๋ยประตูใจของฉันเปิดรับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะทำฉันเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามจงเข้ามาเถอะลูกศิษย์คนที่สามเต็มใจยินยอมให้ความเจ็บปวดคงอยู่ต่อไปนานเท่าที่มันต้องการแม้จนตลอดชีวิตก็ตาม แม้จะต้องเจ็บยิ่งขึ้นเขาก็ยอมเขาให้อิสระแก่ความเจ็บปวดล้มเลิกความพยายามที่จะควบคุมมันนั่นแหละคือการปล่อยวางบัตรนี้ไม่ว่าความเจ็บปวดจะอยู่หรือไปมันก็มีค่าเท่ากันสำหรับเขาเมื่อนั้นแหละ ความทุกข์จากความเจ็บปวดจะหายไป